บรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนวันนี้ก็จะขอแนะนำท่านในเรื่องการปฏิบัติในด้านกสิณความจริงเรื่องของกสิณ น, นี้เป็นกรรมฐานธรรมดาแต่ถ้ว่าตามความรู้สึกของนักปฏิบัติมักจะพากันมีความรู้สึกว่ากสิณ น, นี้เป็นกรรมฐานพิเศษ เ <c oughs> จ้ทําบางท่านเองก็พูดว่าถ้าปฏิบัติกระสินดีไม่ดีเทียนแตกอาจจะบ้าตายเสซะก็ะได้หรือว่าเป็นโรคแก้ไม่หายเป็นโรคบ้าแก้ไม่หายและถือว่ากระสินเป็นกรรมฐานพิเศษบางทีอาจจะถามกันคดีนบ่อยๆว่าถามกันว่านี่ปฏิบัติกระสินรือ ความจริงเรื่องข้าศิลไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าพระกรรมฐานธรรมดาก็เป็นอารมณ์ที่บรรดาท่านนนั้หลายจะปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นสมาธิให้จิตตั้งมั่นนั่นเองแต่ถ้าว่าใช้การเล่าลือข้างคนทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยทํามาเห็นว่าก้าศิลนี้เป็นกรรมฐานพิเศษ จะรู้สึกว่าถ้าใครปฏิบัติกริมศีลคนนั้นจะเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชไปเสีย ท, ทั้งหมด <c oughs> หรือว่าเป็นผู้วิเศษเกินกว่าบุคคลอืน่นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนักที่พู้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามธรรมดาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วทั้งหลา <c oughs> ยย่อมมีความรู้สึกเสมอเหมือนกันว่ากรรมศีหรือว่ากรรมฐานนี่สามสิบอย่าง ก็คือใยที่ทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นมีสภาวะเหมือนกันแล้วก็สำหรับกระถินที่รกระสินที่เรียกว่าทำให้คนมีสมาธิเข้มแข็งก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานหยาบไม่มีรูปสำหรับดู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 พวกกองตาเดินหนึ่งทิ้งสี่ตามลำดับชานตามลำดับกระสินนั่งเข้าชานสลับชานสลับกสินเมื่อทําอย่างนี้ได้ครองอารมณ์จิตก็มีความเข้มแข็งสามารถยาดีฐานให้เป็นอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เรียกว่าเป็นการแสดงฤทธิ์ได้แต่ความจริงแล้วการเจริญกระสินก็เพื่อต้องการสมาธิจิตตนเอง ฉะ น, นการจะรียการศิลป์ยงไม่ไม่ใช่เป็นของพิเศษสำหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานถ้าหากว่าท่านท้องไร้สงสัยว่าการศิลป์ทำอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วสามารถจะทำให้ปัจจนายาให้เป็นพระกรรมฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นของไม่ยากถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้านินชฌานสี่ <c oughs> แล้วก็เจริญมิปสัสนายานต่อไทยอีกนิดหน่อยก็สามารถจะเป็นอนาตตาผลได้ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาเสนาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอักษาวกขององค์สมเด็จพระบร ม, มครูมีนามว่าพระสารีบุตร มีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายคนนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ท่านภาสารีบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยทรัพย์หนักในสังคมก็คงจะมีอารมณ์หนักไในด้านกาเรียด้านกามารมณ์จึงให้อาสุปกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับ ภาษารีบทเช่นระยะเวลาสามเดือนเจรณาสุปกรรมฐานไม่มีผลออกเป็นสาลแล้วภาษารีบทคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของตนที่จะฝึกสอนได้จิ่งเล่นํำไปถวายองค์ ส, สมเด็จพระจอมไตรราชทูนได้ทรงทราบว่าให้เรืกรรมฐานคืออสุปกรรมฐานมาสามเดือนเธอไม่ได้แม้แต่ฌานโลกี อง์สมเด็จระชินาสีจึงในมีพระพุทธดีกาจัดว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรขึ้นชื่อว่าคุลบุตรผู้มีศรัทธาที่มาหาตถาคตตถาจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสาลีบุตรจงกลับไปก่อน เมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรได้พิจารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลส <c oughs> สมเด็จพระร่มมล ร, รุกยเชก็ทรงทราบว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตยังได้ทรงให้กสินสีแดงที่เรียกกันว่าอลหิตตะกะสิน เพราะว่ากสินสีแดงนี้เป็นกสินเป็นเครื่องต่อต้านเป็นศัตรูกับโทสะก็จะขอพูดแค่ตอนนี้เลยทีเดียวสําหรับกสินนี้มีสิบอย่างกสินสีอย่างก็คือกสินสีแดงกสินสีเหลืองกสินสีเขียวและกสินสีขาวสามกสินนี้เป็นกสินสําหรับต่อต้านกับโทสะเป็นฆาศักรูโทสะ ถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายและโทสะฉุนเฉียวก็จงเจริญกสิณสี่อย่างนี้สําหรับกบสิณอีหกอย่างเป็นกรรมฐานกลางคนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนก็ขอบรรดาท่านอันไหลยพยายามรับทราบไปด้วยเพราะการเจริญกรรมฐานนี่มีความสําคัญ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 จงนิรภิรดอกโบทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ส่งให้แก่ท่านเมื่อ ก, กี้ใช้คําว่าเธอไปคําหนึ่งต้องขอพระทานภัยท่านด้วยเพราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ข้าพนิพานเป็นแล้วใช้คําว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาตยแต่ก็อาศัยที่ไม่มีเจตน า, นานก็คิดว่าพระอาริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ <c oughs> ในขณะที่พระเดชพระเจ้าสมอบดอกบวทองคำสีแดงให้แกท่านแล้วก็แนะนำว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบงกองทรายทาทรายให้มูลขึ้นมาแล้วก้านดอกโบนี่ปักตรงไปยงลืมตามองดูภาพสีแดงให้จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดง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 ในเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคำสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านก็กราบถวายธรรมแสดรการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่ก่องทายเอาก้านบัวปักทรงไปลืมดาตาดูก้านบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้หลับตานึกถึงภาพสีแดง เมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงที่จำไว้นะท่านั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จำไว้ว่าภาพกรสินเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราทรงไว้บาเวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจำจเฉพาะสีนั้น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 ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อค้าวเศษไปฟังมากๆ ม, มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะเป็นการทำลายศรัทธาและทำลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านเลื่อมตาหลับตาหลับตาเลื่อมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพียงครูเดียวก็แปลกดว่าเกิดอกหันิมิดตอนอกหันิมิดที่เกิดขึ้นนี ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอดตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ <c oughs> ต่อมาเมื่ออกุกอาจนี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏว่าภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิตหร่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ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 แต่ว่าต่อสายอารมณ์นึกจาของเดิมมาก่อนเป็นสาคัญต่อมาสีแดงนั่นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนท่าน ก, กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งพลิกใหญ่พลิใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยลันน้อยจนเป็นประกายพลิก ตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี่เมื่อปรากฏว่ากสินดวงนั้นเป็นกระฌานสี่แล้วจิตเขาทรงตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกบสินแบบสบายๆใจมีความสุขเล็กกระสินใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายขวาบ้างอยู่ขวาบ้าง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 ถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอเธอจะเป็นพระอรหันได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันได้ก็จะเป็นกโยคาวิจรนิสโณชานโลกีอยู่ตามนั้นเอเจนั้นองค์สมเด็จพระเพเกวันได้ทรงนในมิตรดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอ เดิมทีมีสีสดใสว ส, สวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้ง <c oughs> เมื่อพระรูชายในท่างทองเล่นกระสินเพลิน <c oughs> ก็นึกถึงภาพดอกบัวขึ้นมาได้ <c oughs> ก็ลืมตา ม, มาดู <c oughs> เห็นดอกบัวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อน <c oughs> กลายเป็นสีดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้ง <c oughs> แปลกใจ ว่าดอกบัวดอกนี้เดิมทีที่มีสีสดใสแต่เวลานี้ประเดี๋ยวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้เทอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนี่มิจสินตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแหง้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วภาพความผ่องใสของกสินเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกำลังทรงตัวเ <c oughs> มื่อเล่นอยู่กับภาพกสินเพลินพอสมควร ก็ลืมตามาดูดอกโบวใหม่คราวนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรทรงระมิตรให้กลีบหล่นเกสรหล่นฝักหล่นแล้วก็ก้านหักอาศัยที่จิตป 4, เป็นสมาธิทั้งชาญนสี่ปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจารณาว่าโอหนอดอกบวนี่เดิมเป็นดอกโบวทองคำ มีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสและก็มีความแข็งแรงชุรยะเวลาประเดียวเดียวก็มีการร่วงโรยลงไปในสุดก็หักตรงไปอย่างนี้ <c oughs> เป็นอ น, นว่าทองคำที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็งแข็ ง, แ, ข ง, แ, ขงแรงบนเนื้อหนังมังสา ข, ของเราอย่างมากแดลว่าสามารถจะร่วงโรยและทำลายตัวเองลงไปได้นระยะไม่ช้า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 ได้ไปถึงปู่ย่าตายายที่มันแก่มากลงไปในที่สุดคนที่เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญยญาตของเรามีเท่าไร่ทําตามที่จําได้ผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟัง <c oughs> ท่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพเหมือนมันตายญาติผู้ใหญ่แลือคนที่ตายทั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความโมเมาในชีวิต คิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่ <c oughs> เมื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลำบากความเน็ความเหนื่อยความประทันนาไม่สมหวังที่ทำให้จิตใจของเราเล่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกยัดว่าเป็นทุกข์หนัก เราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไปในขนาดเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนายังได้ทรงเปล่งฉัพนันสัพนารังสีรสัศมีบริการเหมือนกับองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงนั่งประทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าพิกเวดูก่อนพิสุอย่างนั้นถูกแล้ว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 โดยที่ไม่ต้องมีใครมาทำลายมันมันก็ทำลายตัวของมันเองฉันใดแม้ร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดในเบื้องตน้นมันก็พยายามทำลายตัวเองวิทุกขณนะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว่าตายฉะนั้นขอเธอจงอย่ายึดถือกายเป็นสำคัญ ความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปนตามกฎธรรมดากของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดขอเธอจงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั้นไซมันไม่มีไม่อยู่ในอำนาจของจิตที่เราไม่สามารถจะบังคับได้ ถ้าอารมณ์ใจของเรายังมีความผูกพันในร่างกายของเราเีงว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วผูกพันในร่างกายของบุคคลอื่นคนดีมีความผูกพันในทรัพย์สมบัติ ท, ทั้งหลายในโล ก, กดีก็ชืี้ว่าตัวอารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยทันหาก็ <c oughs> จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสีย ก็นเงนจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมายร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายของบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อจิตใจของเราไม่โผกพันในร่างกายของเราคนดีในร่างกายบุคคลอื่นคนดีในโลกเสียงทุกอย่างในโลกดีก็เชื่อว่ า, าอารมณ์ที่สึกึความทุกข์จะถึงกับเธ ขึ้นชื่อว่าเธอเป็นผู้จบ ก, กิจในพุทธศาสนากิจอื่นใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองค์สมเด็จพระปทิบแก้วก็หายไปพระลูกชายในช่างทองที่งได้จับกระสินใหม่ มีอารมใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามประทำคำสั่งสอนขององค์สมในพระปฏิปแก้วโดยพิจารณาตัวเองเป็นสำคัญในที่สุดกำลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็แตกความยึดถือร่างกายปีตีระน้อยดตน้อยในที่สุดจิตก็เป็นเอกตาตรมหมายความว่า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 เฉยในความต้องการในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกและก็เฉย ห, หมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นเทวดาหรือผรมไม่มีความต้องการจีของท่านท้าลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเ ธ, ธตรรหาหันจัดว่าเป็นพระญาติบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพร ะ, พระอาหารหันนี่แหละบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลาย การเจริญเพื่อกรรมฐ า, านในกรรมฐ า, านสี่สิบจะเป็นกรรมฐ า, านกองไหนก็ตามถ้ามีความเฉลาย่ยก็ไม่ต้องเจริญมากเพ <c oughs> <c oughs> ียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ควบคู่กับวิปาาัสนาญาณญาณนี้ก็ได้สําเร็จมรผลได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองดังนั้นเมื่อท่านหลายเจริญกับสิงกองใดกองหนึ่งก็ดีที่เป็นที่อัิยาใสยของเราชอบ ขณะที่จิตยังไม่ถึงจะถูกแตชายก็ตามเมื่อใครจากอารมณมสมาธิหรือการจับจ้องเพ่งภาพประสินแล้วจองพิจารณาในวิปัสสนายานตามที่องค์สมเด็จพระบรทิแก้วทรงสอนแต่ความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างพระลูกชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ <c oughs> จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ <c oughs> ในแบบที่พิจารณานี่ยมีเยอะผมก็ไม่รู้จะที่เอาตรงไหนเวลาม่ได้สงนาทีในแบบของมหาอติปัฏฐานาสูตรในแบบอนุสติในแบบอสุปกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประฐานสี่อะไรก็ได้ตามใจแลว้วมาควบคู่กับวิปัสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพเป็นอนิจจังหาความที่ยังไม่ได้ทุกขังมีสภาวะเป็นความทุกข์ อนัตตาในที่สุดก็สลายตนเื่อจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนแล้วของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเรายัางโอเพื่อมีความต้องการในความทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังขารูปเปขาญาณเป็นสำคัญเพื่อรมตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคต์อย่างนี้ก็ชืี้ว่าไม่ใช่นักท่านกรจบกิจในพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทําไม่มีต่อไปอารัมบรรดาท่านพโยคาวาจรทหลายการแนะนําเรื่องกสินในตอนตอน้นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วแล้วก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางในองค์สมเด็จพระจนารีทรงสอนไม่ผิดแน่ นี่ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามส่งกําลังใจให้คงที่ปฏิบัติเพื่กรรมฐ า, านตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกระสินนี้บบได้แบบใดก็ตาม <c oughs> ที่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสงควรที่ท่านมีความประสงค์สําหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติเพื่อเพียงเท่านี้ขอความปรารถนาดีของท่านหลายจงสําเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดี